การปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้มรรคให้ได้ผลให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายผู้ปฏิบัติจําเป็นจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องเพราะว่าถ้าไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องผลก็จะไม่เกิดนั่นเองดังนั้นผู้ปฏิบัติก่อนจะปฏิบัติ จึงควรศึกษาให้เข้าใจอย่างท่องแท้ว่าการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกนั้นปฏิบัติกันอย่างไรในพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงไว้ดังนี้สมาธิที่ศีลอบรมได้ดีแล้วย่อมมีอานิสงส์มากมีประโยชน์มาก ปัญญาที่สมาธิอบรมได้ดีแล้วย่อมมีอานิสงส์มากย่อมมีประโยชน์มากจิตที่ได้รับการอบรมจากปัญญาได้ดีแล้วย่อมหลุดพ้นจากความทุกโดยถ่ายเดียวนี่คือหลักของการปฏิบัติธรรมที่ได้ทรงแสดงไว้เป็นขั้นเป็นตอน ว่าศีลเป็นผู้อบรมสมาธิสมาธิเป็นผู้อบรมปัญญาปัญญาเป็นผู้ทำให้จิตได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนี่คือหลักที่ผู้ปฏิบัติควรคำหนึ่งเสมออย่าข้ามขั้นอย่าข้ามตอนเวลาปฏิบัติ ดวจ ด, ดูว่าตอนนี้กําลังมีอะไรหรือไม่มีอะไรเช่นเบื้องต้นมีศีลหรือยังศีลของผู้ปฏิบัตินี้ก็ต้องเป็นศีลแปดขึ้นไปศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยสิบเจ็ดหรือศีลสามร้อยกว่านี่คือศีลของผู้ปฏิบัติทำศีลบริสุทธิ์หรือยังหรือยังขาดขาดเกินเกินอยู่ ถ้าขศีลไม่บริสุทธิ์จะไปอบรมให้สมาธินั้นสงบได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติควรจะดูตนเองในการปฏิบัติขั้นตอนขั้นต้นต้องมีศีลที่บริสุทธิ์ก็คือศีลแปดไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ ละเว้นจากการประพฤติในเรื่องของการไม่พูดปดไม่พูดเพ้เจ้อไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียไม่เดิมสุรายาเมาไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วไม่ดูภาพยนตร์ มอหลอศบันเทิงหรือไปท่องเที่ยวตามแหล่งบันเทิงต่างๆ <c oughs> เช่นเที่ยวกลางคืนไม่แต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากด้วยเสื้อผ้าอาพรเครื่องนุ่งหมวิจิตรพิสดารเสริมความงามเสริมด้วยการทำเเผาทำผมทำหน้าทำตา ใช้น้ำมันใช้น้ำหอมต่างๆและไม่นอนบนทูกหนาะๆนอนบนเตียงใหญ่ๆนี่คือศีลขั้นต่ำของผู้ปฏิบัติเนี่ยก็คือศีลแปดเหมาะกับผู้ที่คองเรือนที่เรียกว่าอ ok ุบาสกอุบาสิกาที่จะนำมาไปปฏิบัติ ถ้าเป็นนักบวชสา ม, มเณรก็จะถือศีลสิจะเพิ่มอีกข้อหนึ่งก็คือการไม่แตะต้องเงินทองส่วนศีลข้อเจ็ดก็จะเป็นเป็นสองข้อแบ่งเป็นสองข้อข้อที่เกี่ยวกับการดูมอสุบบันเทิงท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆอีกข้อหนึ่งก็เป็นการแต่งหน้าทาปากแต่งเนื้อแต่งตัว นี่ก็คือสิญสิสของสา ม, มเณรแล้วก็สีญของภิกภิกษุก็227ข้อยี่พข้อภิกษุนีก็ส0 0กว่าข้อนี่คือสิ่งที่จะมาสนับสนุนหรืออบรมให้มีสมาธิเกิดขึ้นมาสมาธิที่ได้รับการอบรมด้วยสีญย่อมมีอนิสงส์มาก ย่อมมีประโยชน์มากเพราะจะสามารถนำเอาไปอบรมปัญญาได้อีกอีกขั้นหนึ่งนั่นเองขั้นแรกต้องมีสมาธิขั้นที่สองขั้นแรกต้องมีศีลศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยีบเจ็ดหรือศีลสามร้อยกว่าขอ้อต่อจากนั้นเมื่อมีศีลที่บริสุทธิ์แล้วก็จะมา จเจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธิขึ้นมาสมาธินี้ก็มีอยู่สองระดับระดับแรกเรียกว่าคาิกาสมาธิระดับที่สองเรียกว่าอัปปนาสมาธิอัปปนาคณิกาสมาธิก็คือความสงบชั่วเดี๋ยวเดียวซึ่งนักจะเป็นผลของผู้ที่ปฏิบัติใหม่ๆ ใหม่ๆนี้จะได้คานิกะสมาธิก่อนจิตจะรวมลงตั้งอยู่ไม่นานแล้วก็จะถอนออกมาเนื่องจากกำลังของสติที่ควบคุมจิตให้อยู่ในความสงบนั้นยังมีกำลังไม่มากพอก็เลยอยู่ได้เพียงเดียเด๋ยวๆแล้วก็ถอนออกมาต้องพัฒนาจากคานิกะสมาธิ ให้ไปเป็นอปปนาสมาธิก็คือต้องเจริญสติให้มากยิ่งขึ้นให้ต่อเนื่องตลอดเวลาไม่ให้เผลอไม่ให้ไปอดีตไม่ให้ไปอนาคตไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ถ้ามีการคิดปรุงแต่งแล้วจิตจะรวมไม่ได้จิตจะสงบไม่ได้ จิตต้องจดจ่ออยู่กับอารมณ์เดียวเช่นอยู่กับคําบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรืออยู่กับการดูลมหายใจเข้าออกไม่จำเป็นจะต้องใช้พุทโธกากับกับคํา ก, กับการดูลมหายใจเข้าออกสามารถแยกกันได้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งได้เพราะบางเวลาอาจจำเป็นที่จะต้องมีการ บริกรรมให้ถี่ขึ้นก็จะไม่สามารถที่จะผูกคําบริกรรมไว้อยู่กับลมหายใจได้เพราะลมหายใจนี้จะไม่หายใจเร็วจะหายใจตามปกติถ้าต้องการให้บริกรรมเร็วเพื่อที่จะได้กําจัดความคิดต่างๆที่คอยสอดแทรกเข้ามาถ้ามาใช้คําบริกรรม พุโทโธผูกไว้กับลมหายใจก็จะไม่สามารถที่จะเร่งคำบริกรรมให้ถี่กันได้ดังนั้นผู้ปฏิบัติควรที่จะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งจะดีกว่าเอาคำบริกรรมพุโทโธก็พุโทโธไปเลยไม่ต้องไปดูลมหายใจให้เกาะติดอยู่กับคำบริกรรมให้จดจ่ออยู่กับคำบริกรรมเพียงอย่างเดียว พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปรับรู้เรื่องลมหายใจเข้าออกหรือถ้าอยากจะใช้ลมหายใจเข้าออกก็ไม่ต้องไปใช้พุทโธให้เฝ้าดูลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวลมหายใจเข้าก็รู้ว่ากำลังหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่ากำลังหายใจออกทำเท่านี้เพียงแต่รู้ว่าตอนนี้กาลังอยู่ในขั้นไหน ลมอยู่ในขัน้นไหนอยู่ขั้นเข้าข้างในหรือขั้นออกข้างนอกลมหายใจเข้าลมหายใจออกจะดูลมก็ดูตรงจุดที่มันสัมผัสกับร่างกายจุดที่มันสัมผัสกับร่างกายก็คือบริเวณปลายจมูกหรือเหนือริมฝีปากขึ้นมาก็ให้ดูตรงจุดนั้นหรือบางสำนักก็ให้ดูที่ท้องที่หน้าอก เวลาลมเข้าก็จะพองเวลาลมออกก็จะยุบที่เรียกว่ายุบหนอพองหนอ<ม>การดูลมนี่ไม่ต้องออกเสียงไม่ต้องพูดยุบหนอไม่ต้องพองหนอให้รู้เฉยเฉยรู้ว่ายุบรู้รู้ว่าพองรู้ว่าเข้ารู้ว่าออกไม่ต้องเข้าหนอออกหนอให้รู้เฉยเฉยให้รู้ว่าตอนนี้กำลังหายใจเข้าหรือหายใจออก แล้วลมหยาบหรือลมละเอียดลมหายใจสั้นหรือหายใจยาวลมหายไปเลยก็ให้รู้ว่าหายไปไม่ต้องตื่นตระหนกไม่ต้องตกใจไม่ต้องปรุงแต่งไปคิดว่าไม่มีลมหายใจแล้วเดี๋ยวเราจะตายถ้ามีการรับรู้อยู่อย่างต่อเ น, นื่องนี้ไม่มีวันตายไม่มีใครตายจากการนั่งอนาปนาสติ นั่งดูลมหายใจเข้าออกแต่ถ้าไปวิตกแล้วจะไม่ได้รับผลจากการนั่งอนาปนาสติจิตจะไม่รวมเพราะจิตกำลังจะรวมก็ต้องถอนออกมาด้วยความวิตกด้วยความกลัวกลัวว่าเมื่อไม่มีลมหายใจแล้วจะตายก็เลยหยุดภาวนาออกจากการภาวนาเลิกการภาวนาไปทางที่ถูกก็คือให้ภาวนาต่อไป ให้รู้ว่าตอนนี้ไม่มีลมให้อยู่กับคำการไม่มีลมไปให้มีการรับรู้อยู่อย่างต่อเ น, นื่องไม่ให้ไปคิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆแล้วจิตก็จะวุบลงไปเองแล้วก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเวลาสงบนี้ก็จะมีแต่เอกคตารมคือสักแต่ว่ารู้มีอารมณ์เดียวคืออารมณ์รู้สักแต่ว่ารู้มีอุเบกขา ใจเป็นกลางปราศจากรักชังกลัวหลงแล้วก็มีความสงบนิ่งมีความสุขอย่างยิ่งเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนัตถิสันติบาลังสุขขังไม่มีสุขใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบผู้ที่ได้พบกับสมาธิแบบนี้แล้ว จะมีความสุขมากจะมีความพอใจมากจะมีความยินดีมากจะไม่อยากได้อะไรจะอยากได้ความสงบนี้เพียงอย่างเดียวพอออกจากความสงบแล้วก็พยายามที่จะประครับประคองความสงบต่อไปในเบื้องต้นถ้ายังไม่ชำนาญในการประครับประคองรักษาความสงบ ก็ให้เจริญสติต่อไปหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วอย่าไปคิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆถ้าใช้พุทโธก็พุทโธต่อไปบริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าใช้การดูร่างกายก็เฝ้าดูร่างกายต่อไปไม่ว่าร่างกายจะอยู่ในเอเรียบทใดไม่ว่าร่างกายก ำ, กำลังทำอะไรอยู่ ก็ให้อยู่กับอิรยาบทนั้นหรือการกระทำนั้นอย่าให้ใจไปที่อื่นอย่าไม่อย่าให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ให้เดึงกลับมาอยู่ที่คำบริกรรมพุทธโธหรืออยู่ที่การการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทําต่างๆของร่างกายจนกว่าจะมีเวลาว่างก็กลับไปนั่งสมาธิต่อ เพื่อให้จิตรวมลงและตั้งให้อยู่ให้นานขึ้นไปตามลำดับทำอย่างนี้ไปจนเกิดความชำนาญสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่ต้องการถ้ามีความชำนาญในสมาธิแล้วก็จะเรียกว่าเป็นสมาธิที่พร้อมที่จะนำไปอบรมปัญญาต่อไปปัญญาที่ได้รับการจากอบรม ที่ได้รับการอบรมจากสมาธิจะมีอานิสงส์มากจะมีประโยชน์มากปัญญาที่ไม่มีสมาธินี้จะไม่มีอานิสงส์จะไม่มีประโยชน์เพราะไม่สามารถที่จะทาจิตให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ปัญญานี้มีอยู่สามชนิดด้วยกันชนิดแรกเรียกว่าสุตตะมยปัญญา ปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังอย่างที่เรากำลังฟังอยู่ขณะนี้ <c oughs> เรียกว่าสุตมยะปัญญาปัญญาระดับที่สองเรียกว่าจินตามยะปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาค่ายควรอยู่เนืองเนื่องเช่นพิจารณาความตายอยู่เนืองเนืองพิจารณาความแก่พิจารณาความเจ็บอยู่เนืองเนือง ปัญญาทั้งสองชนิดนี้ยังไม่มีกําลังที่จะทําให้ความทุกข์ดับไปจากใจได้ถ้ามีท่านญาตโยมที่มาฟังเทศในวันนี้ก็น่าจะหลุดพ้นจากความทุกข์กันแล้วที่ไม่หลุดพ้นก็เพราะว่าไม่มีสมาธินั่นเองจึงยังไม่มีปัญญาที่จะทําให้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ปัญญาที่จะทำให้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นี่เราเรียกว่าภาวนามายปัญญาคือปัญญาที่ได้รับการอบรมจากสมาธินี้เองคือผู้ที่เจริญปัญญาโดยไม่มีสมาธินีจะไม่สามารถใช้ปัญญาไปละตันหาความอยากต่างๆเพื่อดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจได้เพราะไม่มีกำลัง ขาดกำลังของสมาธิเป็นผู้สนับสนุนจึงจำเป็นต้องให้มีสมาธิเป็นผู้อบรมปัญญาจำเป็นจะต้องมีจิตที่สงบจิตที่ได้ถึงขั้นอัปปนาสมาธิแล้วจิตที่ได้อัปปนาสมาธินี้เวลาออกจากสมาธิมานี้จะไม่เหมือนกับจิตของผู้ที่ไม่มีอัปปนาสมาธิความเย็นความ ความสุขความแน่วแน่มั่นคงนี้ต่างกันถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับก้อนหินกับปุยนุ่นปุยนุ่นนี้เวลาถูกลมพัดเบาๆมันก็ปลิวไปแล้วส่วนหินนี่ต่อให้ลมพายุมามันก็ไม่ขยับขยืขย่นฉันั้จิตของผู้ที่ได้อัปปนาสมาธินี่จะไม่ จะไม่ไหวไปตามอารมณ์ต่างๆที่มาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือทางใจจะนิ่งจะเฉยแต่ยังมีความทุกข์อยู่เพราะยังไม่มีปัญญาที่จะกำจัดตันหาความอยากที่คอยยุคอยแย่คอยยัว่วคอยกวนใจอยู่แต่จิตของผู้ที่ไม่มีสมาธินี้ พอสัมผัสกับอารมณ์อันใดก็จะไหวไปทันทีจะล้มละเนรละนาฏไปทันทีนี่คือลักษณะของจิตที่มีสมาธิกับจิตที่ไม่มีสมาธิมีความต่างกันคือจะอ่อนไหวกับอารมณ์หรือไม่อ่อนไหวกับอารมณ์จิตที่มีสมาธิแล้วนี้จะไม่อ่อนไหวกับอารมณ์ต่าง ง่ายกว่าเคยถ้ามีก็จะจะว่าไม่มีเลยก็ไม่ใช่เพียงแต่ว่ามันมันหนักแน่นกว่ามันแข็งแรงกว่าทนทานกว่ากว่าจิตที่ไม่มีสมาธิจิตที่ไม่มีสมาธินี้เป็นจิตที่เบามากไม่มีความหนักแน่นเวลาอารมณ์อะไรมาสัมผัสนี้ก็จะปลิวไปเลยเหมือนกับใบไม้ใบไม้เวลาลมพัดนี่ก็จะปลิวไปตามลม ส่วนก้อนหินนี้จะไม่ได้ไม่ได้ปิวไปตามลมเพราะมีความหนักมากกว่าใบไม้นี่คือลักษณะของจิตที่มีสมาธิและไม่มีสมาธิเวลาออกจากสมาธิมาแล้วด้าจิตที่มีสมาธินี่แหละที่จะสามารถที่จะสนับสนุนปัญญานะเวลาปัญ ญ, ญาพิจารณาเห็นว่าเป็นทุกข์ เห็นว่าเป็นอนิจจังเห็นว่าเป็นอนัตตาก็จะสามารถบอกให้จิตให้ปล่อยวางได้ให้ละอุปทานได้ให้ละตัณหาความอยากได้พอละได้จิตก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นี่คือเรื่องของขั้นตอนของการปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติให้ถูกต้องต้องปฏิบัติให้เป็นขั้นเป็นตอนไป เหมือนกับการศึกษามีทางโลกก็ต้องมีจุดเริ่มต้นเริ่มต้นที่การเรียนกอไก่ขอไข่นับหนึ่งสองสามไปก่อนถึงจะเรียนวิชาอื่นที่จะตามมาต่อไปได้ถ้ายังเรีนยงกอไก่ขอไข่ไม่ได้ยังนับหนึ่งสองสามไม่ได้จะไปเขียนจะไปอ่านอะไรก็อ่านไม่ได้ จะไปบวกลบคูณหารก็จะทำไม่ได้ผู้ปฏิบัติจึงต้องมีขั้นตอนของการปฏิบัติจึงควรที่จะตรวจตราดูว่าตอนนี้ตนเองได้ปฏิบัติอยู่ขั้นไหนแล้วได้ศีลหรื อ, อยังรักษาศีลได้อย่างบริสุทธิ์หรื อ, อยังรักษาได้กี่วัน เวลาเริ่มต้นนี้ก็อาจจะรักษาได้เพียงวันเดียวคือศีลแปดหรือเวลาไปอยู่วัดก็อาจจะไปรักษาศีลแปดกันทีละสามวันบ้างห้าวันบ้างเจ็ดวันบ้างแต่พอกลับบ้านก็ทิ้งศีลแปดไปถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าศีลไม่บริรสุทธิ์ศีลไม่บริสุทธิ์ก็จะไม่สามารถอบรมให้เกิดสมาธิขึ้นมาได้ ไม่สามารถทำให้มีสมาธิที่มีอ น, นิสง์มากมีประโยชน์มากได้ก็จะไม่มีสมาธิที่จะนำไปสู่การอบรมปัญญาและไม่มีปัญญาที่จะไปสอนให้จิตปล่อยวางให้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ดังนั้นการปฏิบัติควรจะปฏิบัติตามขั้นตามตอนอย่าไปคิดว่าการ จเจริญปัญญานี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าได้ได้บุญมากที่สุดนก็เลยทิ้งบุญคือบุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการนั่งสมาธิแล้วหมัวแต่ไปทุ่มอยู่กับปัญญาเพียงอย่างเดียวถ้าเป็นปัญญาก็เป็นปัญญาแบบฟุ้างซ่านไม่ได้เป็นปัญญาที่จะดับความทุกข์ได้ ถ้าดับได้มันก็ต้องบรรลุไปนานแล้วจเจริญปัญญามาปีกีป่ปีแล้วกี่วันแล้วถ้าเป็นปัญญาจริงๆนี่เจ็ดวันเขาก็บรรลุ ก, กันแล้วนี่คือสิ่งที่พวกปฏิบัติทั้งหลายควรที่จะคานึงถึงทำเป็นขั้นเป็นตอนทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนอ ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติหลุดพ้นนีคนนน่คือสี่ขั้นตอนขั้นที่หนึ่งก็คือศีลขั้นที่สองก็คือสมาธิขั้นที่สามก็คือปัญญาขั้นที่สี่ก็คือวิมุตติหลุดพ้นดังที่ได้ทรงแสดงความสาคัญที่เกี่ยวเนื่องกันว่ามีมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร สมาธิที่ศีลอบรมได้ดีแล้วย่อมมีอ น, นิสงส์งมากย่อมมีประโยชน์มากปัญญาที่สมาธิอบรมได้ดีแล้วย่อมมีอ น, นิสงส์งมากย่อมมีประโยชน์มากจิตที่ปัญญาได้อบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากความทุกข์โดยถ่ายเดียวจะหลุดพ้นได้ต้องหลุดพ้นด้วยปัญญาแต่จะเกิดปัญญาขึ้นมาได้ต้องมีศีลเป็นผู้อบรม จะเกิดสมาธิขึ้นมาได้ก็จะต้องมีศีลเป็นผู้อบรมจะเกิดปัญญาขึ้นมาได้ก็ต้องมีสมาธิเป็นผู้อบรมจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ก็ต้องมีปัญญาเป็นผู้อบรมนี่คือสูตรตายตัวไม่ว่าจะอยู่ในยุคไหนสบายใดสมัยพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนธรรมอยู่หรือในสมัยปัจจุบันนี้ การทของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาการิโกขั้นตอนเป็นอย่างไรสมัยในอดีตสมัยปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเหตุเราอย่ามาเปลี่ยนขั้นตอนกันเราอย่ามาโยนศีลไปทิ้งไปอย่าไปโยนสมาธิทิ้งไปโดยคิดว่าไม่สําคัญเพราะว่าศีลไม่สามารถทําให้หลุดพ้นได้ สมาธิก็ไม่สามารถทำให้หลุดพ้นได้มีปัญญาเท่านั้นที่จะทำให้หลุดพ้นได้ก็เลยมุ่งไปที่ปัญญาเพียงอย่างเดียวโดยที่ไม่สนใจกับการรักษาศีลไม่สนใจกับการนั่งสมาธิทำใจให้สงบจะใช้ปัญญาเพียงอย่างเดียวถ้าเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องสอนเนื่องศีลเนื่องสมาธิให้เสียเวลาไปประปา ก็สอนเรื่องปัญญาไปเลยไม่ดีกว่าเลยทำไมต้องสอนเรื่องศีลก่อนทำไมต้องสอนเรื่องสมาธิก่อนแล้วถึงค่อยมาสอนเรื่องปัญญาเพราะว่ามันเป็นธรรมที่เกี่ยวเกี่ยวเนื่องกันต่อเนื่องกันสนับสนุนกันนั่นเองศีล ส, สนับสนุนให้เกิดสมาธิสมาธิสนับสนุนให้ปัญญา มีกำลังที่จะไปสอนจิตให้ปล่อยวางได้ให้หลุดพ้นได้นี่คือเรื่องของการปฏิบัติที่ถูกต้องที่ผู้ปฏิบัติควรที่จะเอาไปพิจารณาดูว่าตอนนี้ศีลบริสุทธิ์หรือยังรักษาศีลได้มากน้อยเพียงไร ทำไมการปฏิบัติถึงไม่คืบหน้าทำไมสมาธิถึงไม่สงบก็เพราะว่าศีลแปดเรามีมากน้อยเท่าไหร่ถ้ามีร้อยละสิบสมาธิก็จะได้แค่ร้อยละสิบนถ้ามีห้าร้อยละห้าสิบสมาธิก็จะมีได้แค่ร้อยละห้าสิบถ้ามีศีลเต็มร้อยตลอดเวลาสมาธิก็จะได้เต็มร้อยจะได้ตลอดเวลาจะได้ทุกเวลาที่ต้องการ ดังนั้นถ้าถ้ายังสมาธิยังไม่ได้อะไรก็ไปดูที่ศีลก่อนว่าเรารักษาศีลได้ทุกวันหรือยังหรือเพียงแต่รักษาศีลแปดเฉพาะช่วงที่เราไปอยู่วัดช่วงที่เราไปภาวนาไปปีกวิเวกแต่เวลาเรากลับบ้านเราไม่รักษาศีลแปดแล้วแต่เรายังภาวนาอยู่บ้างอาจจะนั่งเวลาครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่ง แล้วก็หวังที่จะได้ผลจากการนั่งนั้นไม่มีผลถ้าศีลไม่มีถ้าศีลไม่บริสุทธิ์นี่จะไม่สามารถที่จะทําให้จิตรวมได้ต้องเป็นศีลที่ต่อเนื่องศีลที่บริสุทธิ์สมาธิถึงจะสงบถึงจะรวมได้เมื่อมี จิตที่มีสมาธิแล้วจิตก็จะมีกำลังที่จะนำา อ, อกไปพิจารณาทางปัญญาเพราะถ้าจิตไม่มีสมาธิจะไม่มีกำลังสู้กับตันหาความอยากที่จะดึงจิตให้ไปคิดทางลาบยศสรรเสริญคิดไปในทางหาความสุขทางตาหูจะบวกลิงกายจะไม่ได้มาคิดในเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตา ที่ที่ผู้เจ้าทรงสอนให้พระอนุโมคิดอยู่ตลอดเวลาว่าหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายอันนี้จะทําได้ก็ต่อเมื่อมีจิตมีสมาธิมีความสงบปราศจากอารมณ์ตันหาความอยากต่างๆถ้ามีตันหาความอยากเดี๋ยวมันก็จะวิ่งไปหารูปเสียงกลิ่นรส แวาไปหาขนมนมเนยแวาไปหาเครื่องดื่มแทนที่จะพิจารณาเรื่องของความตายอย่างต่อเนื่องเรื่องของความตายก็เรื่องของอนิจจังนี่เองพิจ า, ารณาอนิจจังว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าไปอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะทุกข์ถ้าไม่ต้องการทุกข์ต้องการดับทุกข์ ก็ต้องมีปัญญาที่เห็นความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อเห็นความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกจิตก็จะไม่ยึดติดกับร่างกายจิตก็จะปล่อยวางตลอดเวลาพร้อมที่จะให้ร่างกายได้ตายตลอดเวลาเวลาเกิดความตายขึ้นมาจิตก็จะไม่ทุกข์เลยถ้าไม่มีสมาธิจะมาพิจารณาความตายไม่ได้ เพรกิเลสตัณหา t ี้จะไม่ให้ไปพิจารณาจะให้ไปพิจารณาเรื่องทรัพ์สมบัติเข้าของเงินทองให้พิจารณาเรื่องสามีภรรยาเรื่องบุตรเรื่องทิดาเรื่องกิจการต่างๆเรื่องบ้านเรื่องเมืองสุดแท้แต่จะคิดแต่เรื่องที่จะมาคิดถึงความตายนี้มันจะไม่ให้คิดอย่างแน่นอนถ้าไม่มีสมาธิ ถ้าไม่ได้อปบนาสมาธิ Driver. ออกมานี้ยากที่จะไปพิจนะารณาใต้รักได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเมื่อไม่พิจารณาอย่างต่อเนื่องอย่างตลอดเวลาจิตก็จะไม่ได้ปล่อยวางนั่นเองจิตก็จะยังอยากอยู่นั่นเองยังอยากให้อยู่ไปนานๆานยังอยากให้รวยไปนานๆานยังอยากให้คนนั้นคนนี้อยู่ไปนานๆานสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ไปนานนาน เมื่อเกิดความอยากเหล่านี้ขึ้นมาก็จะระดับความทุกข์ได้อย่างไรระดับความทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อพิจารณาอยู่เนืองๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องหมดไปจะต้องเสื่อมหมดไปจะต้องตายไปทุกคนต้องตายไปถ้าคิดอยู่อย่างนี้เรื่อยๆความอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ไปนานๆก็จะหายไปความอยากให้ทุกคนอยู่ไปนานๆก็จะหายไป เมื่อไม่มีความอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนอยู่เป็นนานๆความทุกข์ก็จะไม่มีเวลาสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือคอนนั้นคนนี้ตายไปก็จะไม่รู้สึกอะไรรู้สึกเฉยๆเพราะเห็นด้วยปัญญาตลอดเวลาว่าเขาต้องไปทุกสิ่งทุกอย่างต้องไปต้องหมดสภาพไปนี่คือปัญญาที่ได้รับการอบรมด้วยสมาธิจะเป็นอย่างนี้ จะไม่คิดเรื่องอื่นจะไม่ไปคิดถึงเรื่องราบยศสรรเสริญจะไม่ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสจะไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้จะไม่ได้ไปอยากให้คนนั้นคนนี้อยู่ไปนานๆจะไม่ได้มีความอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ไปนานๆเช่นอยากให้ราบยศสรเสริญนี้อยู่ไปนานๆไม่อยากให้ราบยศสรรเสริญเสื่อมไป ความคิดเหล่านี้จะไม่มีในใจของผู้ที่มีสมาธิผู้ที่เจริญปัญญาจะมีแต่พิจารณาอยู่แต่เรื่องของตายแล้วทุกอย่างมีเกิดมีดับเป็นธรรมดาทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนทุกอย่างทามาจากดินน้าลมไฟเท่านั้นเองไม่มีตัวตนในร่างกายในร่างกายนี้มีแต่ดินน้าลมไฟมีแต่อาการสาสิบสอง ผมขนเล็ดฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกระม้าหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะน้ำดีน้ำสเลดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตานื้อมันเหลวน้ำลายน้ำโมกน้ำไขข้อน้ำมูดในทั้งร่างกายนี้ไม่มีตัวเราอยู่เลยไม่มีนายกองนายขอไม่มีเด็กชาย นั้นเด็กชายนี้เด็กหญิงนั้นเด็กหญิงนี้ไม่มีนางสาวนั้นนางสาวนี้อยู่ในร่างกายนี้เลยมีแต่อาการสาสิบสองนี้เท่านั้นที่ทำมาจากดินน้ำลมไฟแล้วเวลาที่มันบุบสลายไปมันก็แยกตัวกันไปเท่านั้นเองน้ำก็ไปทางน้ำลมก็ไปทางลมไฟก็ไปทางไฟดินก็ไปทางดิน ไม่มีตัวตนไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลในร่างกายนี้ไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีบุตรไม่มีที่ดาาในร่างกายสามีภรรยาบุตรที่ดาพ่อแม่นี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายแต่อยู่ในใจอยู่ในใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่ถ้าเป็นใจที่ยังหลงอยู่ก็จะ ก็จะถูกความหลงพาให้ไปหาร่างกายอันใหม่ให้ไปเกิดใหม่แต่ถ้าไม่มีความหลงรู้ทันว่าการไปเกิดนี้เป็นทุกข์ก็ไม่ไปหาร่างกายอันใหม่ก็จะไปเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันตาสาว ก, กันไปอยู่ที่พระนิพพานกันที่ที่ไม่มีความทุกข์ที่ที่มีแต่บรมมปสุขที่ที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิด พราะอำนาจของปัญญาอำนาจของสมาธิอำนาจของศีลที่ได้อบรมสมาธิที่ได้อบรมปัญญาที่ได้อบร ม, มจิตให้หายง่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายด้วยการปล่อยวางความอยากปล่อยวางอุปทานเพราะเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอสุภะเห็นความไม่สวยไม่งามของร่างกาย เห็นอาหารเลยปฏิกูลัลสัญญาเห็นความสกปรกของอาหารไม่น่ารับประทานทุกครั้งเวลาอยากจะรับประทานนี้ให้เห็นความสกปรกของอาหารแล้วจะทำให้ไม่อยากจะรับประทานจะทำให้รับประทานเพื่ออยู่ได้ไม่ได้อยู่เพื่อรับประทานถ้าอยู่เพื่อรับประทานก็จะต้องกลับมาอยู่เรื่อยๆกลับมารับประทานถ้ารับประทานเพื่ออยู่ก็จะไม่กลับมา รับประทานนี่รับประทานเพื่อประทังชีพไปเท่านั้นเมื่อมันตายไปแล้วก็จบไม่ต้องรับประทานอีกต่อไปไม่ต้องกลับมารับประทานอีกเพราะไม่ได้อยู่เพื่อรับประทานไม่ได้อยู่เพื่อกินกินเพื่ออยู่เท่านั้นเองนี่คือเรื่องของปัญญาปัญญาที่จะอบรมจิตให้หลุดพ้นโดยถ่ายเดียว ปัญญาที่จะอบรมจิตให้หลุดพ้นโดยถ่ายเดียวได้ก็ต้องเป็นปัญญาที่ได้รับการอบรมด้วยสมาธินี่และส ม, สมาธิที่จะอบรมด้วยให้ปัญญานี้อบรมจิตให้หลุดพ้นได้ก็ต้องได้รับการอบรมจากศีลอีกต่อหนึ่งสมาธิต้องมีศีลเป็นผู้อบรมปัญญาต้องมีสมาธิเป็นผู้อบรมแล้วก็จิตต้องมีปัญญาเป็นผู้อบรม จิตถึงจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้นี่คือเรื่องของขั้นตอนของการปฏิบัติธรรมผู้ที่บรรลุธรรมทั้งหลายนี้เขาบรรลุกันแบบนี้ทั้งนั้นไม่เชื่อลองไปฟังเทศของพระอาลหลานทั้งหลายภาษาวกทั้งหลายฟังเทศฟังธรรมของครูบาอาจารย์ทั้งหลายฟังเทศฟังธรรมของพระพุทธเจ้าจะไม่มีใครสอนให้ข้ามขั้นตอนจะไม่มีใครสอนให้ ขาดทำข้อใดข้อหนึ่งไปมีสอนให้ครบทุกข้อให้ทำให้ครบทุกข้อเพราะทาเหล่านี้จําเป็นต่อกันและกันนั่นเองถ้าไม่มีทาข้อใดข้อหนึ่งก็เหมือนกับลูกโซ่โซ่ที่มันขาดไปขาดช่วงที่ต่อเนื่องกันขาดช่วงลูกโซ่ที่จะมาต่อเนื่องกัน มันก็จะเป็นลูกโซ่ไม่ได้มันต้องมีการต่อเนื่องกันศีลต้องผูกติดกับสมาธิสมาธิต้องผูกติดกับปัญญาปัญญาต้องผูกติดอยู่กับจิตจิตถึงจะหลุดพ้นได้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไป พ, พ, พิจารณาไปปฏิบัติถ้าอยากจะ ได้รับผลจากการปฏิบัติก็ขอให้ปฏิบัติตามขั้นตามตอนปฏิบัติให้ครบช่วนทุกสัดทุกส่วนของธรรมแล้วรับรองได้ว่าผลที่ต้องการก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยทาวาลกวาหาปุราปเลกปุริติสาคหลังเอวเมวะอิโตทิน e ังเปตานังอุปกาปติอิทิต e ังปัต um ิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสาเพปุริตุสังกปาจันโทปนาหะโสยาถามณิโชติ ระโสยธาสภิติโยวิวัชจันตุสัพพโรโควินสสตุมาเตภวัตะวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวัตนสีดิตสะนิจังวุธาปจายโนจตารุธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภลาง ลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่ต้องการถามปัญหาอะไรก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิประชุมแล้วก็จะขอยุติการถามตอบถ้าอยากจะถามขอให้เชิญถามในช่วงนี้ได้เลยคําถามจากทางบ้านจากคุณโจปกรณ เวลาพระท่านฉันอาหารแค่มือเดียวต่อวันจะได้รับสารอาหารเพียงพอหรือเปล่าครับหรือว่าเพราะได้กําลังสมาธิช่วยด้วยร่างกายจึงไม่ต้องการสารอาหารมากครับก็อยู่ได้ก็แล้วกันเน่ยไม่ตายอยู่กันถึงเก้าสิบปีร้อยปีไอพวกที่กินสามมือนี่มันอยู่ไปไม่ถึงคําถามจากคุณออสปิเชียสเนสนั่งสมาธิแล้วร้องไห้ด้วยความปิติ จิตล th ้ำลึก okay. ถึงคุณของพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์พยายามดึงลมหายใจกลับมาและลึกถึงพุทโธหรือบางครั้งนึกถึงประโยคที่พระอาจารย์แสดงธรรมน้ำตาไหลออกมาแบบนี้ผิดปกติไหมคะก็ไม่รู้แหละมันผิดว่าปกติหรือเปล่าธรรมดาคนเขาร้องไห้กันทุกคนหรือเปล่าถ้าเราร้องคนเดียวมันก็ผิดปกติถ้าคนอื่นเขาไม่ร้องก็ไม่ผิดปะ อันนี้ก็แล้วแต่อาจจะเป็นจริตนิสัยของคนที่อ่อนไหวง่ายมีอะไรม า, าสัมผัสกับจิตก็ก็ไหลไปตามอารมณนน์นั้นๆถ้าไม่เป็นความทุกข์ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรคําถามจากคุณเลดี้ใด เวลาอ่านข่าวเกี่ยวกับพระที่มีข้อข้อหาแล้วบางทีก็ไปแสดงความคิดเห็นอย่างที่เราเข้าใจแต่บางทีเราก็ไม่ได้รู้จักพระนั้นอย่างแท้จริงเพียงแค่เห็นในข่าวว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่ไม่ดีอย่างนี้จะบาปไหมคะและถ้าในข่าวเป็นความจริงจะมีกรรมติดตัวหรือเปล่าคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะบาปมันอยู่ที่การพูดปดและไม่พูดปละ เราพูดปดหรือไม่พูดปลดก็อยู่ที่ตรงนั้นถ้าถ้าไปพูดในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงมันก็บาปถ้าพูดในสิ่งที่เป็นความจริงมันก็ไม่บาปแต่คนจะพูดแล้วไม่พูดนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าไม่พูดได้น่ะดีกว่าเฉยๆไว้ไม่ต้องไปวิพากวิจารณ์เรื่องของชาวบ้านเขาถ้าอยากจะวิพากษวิจารณ์วิพากวิจารณ์เรื่องของตัวเองจะดีกว่า เพราะเราจะได้ถ้าเราเห็นความผิดของเราเราจะได้แก้ความผิดของเราได้เห็นความผิดของชาวบ้านก็มันก็ไม่ได้มาทําให้เราดีขึ้นหรือเร็วลงแต่อย่างใดเังไให้รับรู้เฉยๆก็พอไม่ต้องไปต่อต่อยอดอ่านข่าวแล้วรับรู้แล้วก็ปล่อยวางไปรู้ว่าคนนี้เขาถูกกล่าวหายอย่างนั้นอย่างนี้เขาจะถูกเขาจะผิดก็ให้ทาง ผู้ที่ก็มีหน้าที่พิสูจน์ความผิดถูกให้เขาทําหน้าที่ไปตอนนี้เมื่ อ, อยังไม่ได้มีการชี้ผิดชี้ถูกก็ให้รับรู้ไปตามที่เขาเล่ามาก็แล้วกันรับรู้ได้แต่อย่าไปวิพากษ์วิจารณ์ควรที่จะมารับรู้เรื่องของเราจะดีกว่าถ้าเป็นนักปฏิบัติจริงๆต้องการหลุดพ้นจริงๆนี้ต้องมาดูมารู้เรื่องของเรา รู้ว่าเราตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่กำลังคิดอะไรอยู่คิดไปในทางธรรมทำไปในทางธรรมหรือคิดไปในทางโลกคิดไปในทางธรรมในทางโลกถ้าไปในทางโลกก็ควรที่จะหยุดมันถ้าไปในทางธรรมก็ควรที่จะสนับสนุนมันเพราะว่าประโยชน์จะได้รับจากาจากการกระทำของเรา คนอื่นไม่สามารถที่จะมาทำอะไรให้กับเราได้เราต้องเป็นผู้กระทำเองในเรื่องของจิตใจนี้คนอื่นทำอะไรให้เราไม่ได้เรื่องของคนอื่นไม่สามารถที่จะมาทำให้เราดีหรือเชื่อได้ยงไม่ควรที่จะไปนสนใจควรที่จะสนใจเรื่องของเรามากกว่าเรื่องของคนอื่นเพื่อที่เราจะได้มาแก้ไขในสิ่งที่ไม่ถูกในตัวเราได้ น่าทำในสิ่งที่ถูกให้มีมากขึ้นไปได้และเคยมีพระมาที่หน้าบ้านแล้วมาขอเงินบอกว่าไม่มีค่ารถโดยสารแต่หนูไม่ได้ให้แต่ให้ขนมใส่แทนแต่ครั้งแรกที่เห็นพระผ่านมาดีใจพอเขาขอเงินเรากลับคิดว่าเขาเป็นพระปลอมเลยไม่ให้เงินเขาจะเป็นบาปหรือเป็นการกระทธรรมที่ถูกต้องหรือเปล่าคะ เราไม่เป็นบาปแต่อย่างใดการไม่ให้ของคนที่เขามาขอเรามันก็อาจจะขาดความเมตตาถ้าเขาเดือดร้อนจริงๆแล้วเขาขอความช่วยเหลือแล้วเราไม่ได้ให้ความช่วยเหลือเขานี่พูดถึงกรณีทั่วไปไม่ใช่กรณีของพระถ้าเป็นกรณีของพระนี้พระนี้ไม่ควรที่จะไปขอสิ่งของต่างๆจากญาติโยมที่เขาไม่ได้เป็นญาติ หรือเขาไม่ได้ปารนาตัวไว้ก่อนถ้าเขาปารนาตัวหรือเป็นญาติพี่น้องกันนี้ถ้าพระเดือดร้อนขาดแขนอะไรพระพุทธเจ้าอนุญาตให้ขอได้แต่กับคนแปลกหน้านี้ห้ามไม่ให้ขอถ้าบินทบาทก็ให้ถือบาทไปแต่ห้ามพูดขอเช่นตอนบินทบาทนี้ก็จะเดินถือบาทเข้าไปในระแวกบ้าน แล้วแต่ผู้ที่มีศรัทธาจะใส่หรือไม่ใส่แต่จะไม่ไปเคาะประตูบ้านเรียกชาวบ้านออกมามาแล้วขอนู่นขอนี่หน่อยอย่างนี้เรียกว่าขอทานไม่ไม่ได้เรียกว่าเป็นการบินทบาตนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพระมาขออะไรที่เขาไม่ได้เป็นญาติกับเราและเราไม่เคยภาวนาตัวนี้การไม่ให้อะไรท่านนี้เป็นการที่ถูกต้อง เพจะได้ไม่ส่งเสริมให้พระทำผิดพระวินัยถ้าเรากลัวบาปแล้วอยากได้บุญพระมาของเงินค่ารถเราก็ให้ไปอย่างนี้เราก็จะส่งเสริมให้พระรูปนั้นทําผิดพระวินัยไปเรื่อยๆยั้นถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระนี้ไม่ควรจะที่จะให้เงินทองเพราะวาหนึ่งเงินทองนี้พระเจ้าก็ห้ามไม่พระแตะต้องอยู่แล้วไม่ให้จับต้อง ถ้าจะให้เงินทองก็ต้องให้ผ่านลูกศิษย์เป็นผู้เก็บเอาไว้แล้วเวลาพระต้องการอะไรก็ให้ลูกศิษย์เป็นคู่ไปจัดหามาให้เรื่องเงินทองเป็นอย่างนี้ดังนั้นถ้าพระภิกษุของเงินทองก็ปฏิเสธไปได้เลยไม่ต้องไปให้แต่ถ้าเป็นขาลวาดญาตโยมประชาชนทั่วไปขอทานอย่างนี้เข้ามาขอทาน ถ้าเราให้เขาเราก็มีความเมตตามีเราก็ได้บุญเพราะเราก็เห็นว่าเขาเดือดร้อนจริงๆเราก็ให้เขาไปนอกจากว่าเราไม่แน่ใจว่าเขาเป็นขอทานจริงหรือขอทานไม่จริงเราจะไม่ให้ก็ได้หรือถ้าเราจะให้ก็อาจจะให้พอสมควรไม่ให้มากเกินไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำบุญทาทาน คำถามจากคุณพาดาตั้งเวลานั่งสมาธิไว้สองชั่วโมงแต่พอถึงเวลาสักหนึ่งชั่วโมงกว่าอยากจะลืมตาขึ้นรู้สึกเบื่อที่ต้องนั่งอยากออกไปทำกิจกรรมอื่นที่เคยทำเป็นอย่างนี้เป็นประจำขออุบายในการปฏิบัติต่อค่ะก็ตั้งให้มันน้อยหน่อยสิตั้งมากแล้วมันก็ทำไม่ได้ก็อย่าไปตั้งมันตั้งมันขนาดที่เราทาได้ หรือว่าถ้าอยากจะให้มันนั่งให้ได้มากก็ต้องทนนั่งต่อไปต้องเจริญสติเพิ่มขึ้นมาเหมือนน้ํามันหมดแล้วรีบเติมน้ํามันละถ้าเป็นนาฬิกาก็ลานจะหมดละให้รีบขายลานเสียพอมันนึกอยากจะลุกก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดอะไรถ้าอยู่กับพุทโธไปได้เดี๋ยวความอยากจะลุกก็จะหายไปแล้วก็จะนั่งต่อไปได้ คำถามจากคุณธนิตเวลาปฏิบัติสมาธิจิตรู้สึกตัวเบาผ่องใสเป็นจิตสงบหรืออุปทานครับถ้าสงบผ่องใสก็จิตสงบนะคำถามจากคุณดวงสมรปฏิบัติธรรมานานพอควรแต่นั่งสมาธิจิตไม่เคยรวมและไม่เคยผ่านเวทนาได้เลยขอความเมตตาพระอาจารย์แนะนําด้วยค่ะก็ดูสองอย่างดูหนึ่งดูศีล ว่าเราเรารักษาศีลแปดอยู่หรือเปล่าสองดูสติว่าเรามันจเจริญสติอยู่เรื่อยๆหรือเปล่าถ้ามีศีลแปดบริสุทธิ์รักษาได้อย่างต่อเนื่องเราจเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องจิตก็จะรวมได้คำถามจากคุณพันลบเวลาเดินจงกรมจะภาวนาด้วยพุโทโธแต่เวลานั่งสมาธิ ถ้าใช้การตามรู้ลมหายใจจะรู้สึกเบาสบายกว่าการภาวนาพุโทโธการกระทำเช่นนี้จะทำให้ไม่ก้าวหน้าเพราะเครื่องอยู่ของจิตมีสองอย่างหรือไม่ครับ อ, อ๋อไม่เราทดแทนกันได้ถ้าไม่ใช้พุโทโธก็ใช้ลมหายใจได้คำถามจากคุณเชอรี่เวลานั่งวิปัสสนาบางครั้งมีความรู้สึกปวดหัวพอหยุดพิจารณาตรงที่ปวด และจะรู้สึกอึดอัดไม่สบายแต่พอใช้ความคิดประกอบว่ากายส่วนกายจิตส่วนจิตก็จะไม่รู้สึกอึดอัดปฏิบัติอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่คะถ้ามันไม่อึดอัดมันสบายก็ถูกต้องคำถามจากคุณกอฟตั้งแต่ครั้งแรกที่ถามพระอาจารย์ว่าผมเป็นมิจฉาสมาธิผมเลยตั้งใจปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนานเป็นปีรู้สึกว่าทุกน้อย และติดในธรรมบางอย่างเลยหยุดไปนานพอสมควรจนกระทั่งกลับมาปฏิบัติแบบเต็มรูปแบบเมื่อไม่นานมานี้สิ่งที่ผมติดเรื่องสัญญาที่เข้ามาปรุงใจเวลาจะได้สมาธิมันสามารถสลัดออกจากใจไปได้แบบที่ไม่เคยทำได้มาก่อนผมติดมานานรู้สึกโล่งใจครั้งนี้เลยตั้งใจใหม่ ขอเมตตาพระอาจารย์แนะนาและเป็นกาลังใจด้วยครับก็พยายามปฏิบัติให้มากขึ้นไปเรื่อยๆและแม้สมาธิยังไม่มีเหมือนเดิมแต่ใจกลับได้รับความสุขชนิดใหม่เมื่อก่อนละลึกได้บาปนับเป็นเวลานานมากจนเสียสมาธิไม่อยากปฏิบัติคิดว่าคงไม่ดีไปกว่านี้ตอนนี้ละลึกถึงบุญได้ครับและก็บาปได้ในคราวเดียวกัน มันก็เป็นบ้างตอนพิจารณาแต่ตอนบริกรรมหรือสมถะก็แน่ไปกับใจดีอาการอย่างนี้ถูกต้องใช่ไหมครับเวลาทำสมถะไม่ควรที่จะคิดเรื่องอะไรจะคิดต้องอยู่ในตอนที่เราจะเญปัญญาถ้าเวลาทำใจให้สงบนี้ไม่ควรคิดเรื่องราวต่างๆควรให้มีอยู่กับอารมณ์เดียวอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นอยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียว คำถามจากคุณปีเตอร์ผมเป็นเกย์ที่มีจิตใจที่ชอบผู้ชายแต่ไม่ได้แสดงออกสาวมากคือธรรมดาธรรมดาผมศรัทธาในพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ผมอยากจะบวชเป็นพระบวชเรื่อยๆไปไม่มีกำหนดสึกเลยคือหลวงตามหาบัวบอกว่าไม่ว่าหญิงหรือชายสามารถบรรลุธรรมได้เหมือนกัน แต่ผมไม่ใช่ใชายจริงหญิงแท้จะบวชเป็นพระสงฆ์ได้ไหมครับก็ต้องไปถามพระที่เขารับบวช ด, ดูเขาจะรับหรือเปล่ปานะ <c oughs> และผมเป็นหนี้ยังไม่ได้ใช้แต่ทําเรื่องผ่อนผันจ่ายหนี้เรียบร้อยแล้วแม่บอกว่าจะจ่ายหนี้ให้ทั้งหมดเพราะแม่เป็นผู้ค้ำประกันแม่จะขายที่ดินเงินที่ได้จากการขายส่วนหนึ่งแม่จะเก็บไว้ใช้ส่วนตัว ส่วนผมขอส่วนหนึ่งเพื่อขอให้แม่ช่วยจ่ายหนี้ให้แม่ตกลงเพราะผมบอกว่าแม่บอกกับแม่ว่าผมอยากจะบวชและผมก็ทำงานทางโลกลำบากแล้วผมจึงตัดสินใจอย่างนี้อย่างนี้ผมจะบวชได้ไหมครับก็ต้องไปติดต่อกับวัดที่เราจะไปบวชเราไม่ได้ทำหน้าที่รับพระบวชเราเลยไม่รู้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆคถาของาหมดแล้วหมดแล้วมีใครอยากจะถามบ้างไหมวันนี้ เดี๋ยวเ๋ยเดี๋ยวละเดี๋ยวเดี๋ย ว, ดดย ว, ยวไม่ไม่การนมัสการเจ้าค่ะชื่อฮัทไทชนกมิตรเเสริญได้วันนี้ได้มีโอกาสมาฟังธรรมครั้งแรกจากพระคุณเจ้านะคะจากการฟังธรรมของท่านบอกว่าผู้ปฏิบัติต้องถือศีลแปถึงจะมีกำลังสมาธิในการทำสมาธิค่ะแต่เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้การทำงานทั้งโลกเนะะี่ยค่ะ มันยังมีข้อจํากัดของการถึงสิบแปดอยู่ในประจําวันไม่ทราบว่าท่านจะเมตตาชี้แนะหาทางออกให้อย่างไรบ้างเจ้าคะ่ะก็ต้องทิ้งงานทิ้งการไปแล้วก็ไป <c oughs> จะทํายังไงได้จะเอาทั้งสองอย่างได้อย่างไรมัน <c oughs> <c oughs> ขัดกันก็ต้องไปเลือกทางเดินของเราว่าเราจะไปทางธรรมหรือไปทางโลกถ้าเรายาังเราอยากไปทางธรรมแต่เรายังไปทางโลกไม่ได้เอ้ย อย่างทิ้งทางโลกไม่ได้ก็ลองทิท้งอาทิตย์ละวันก่อนเช่นวันพระวันพระเราก็หยุดทํางานสักวันหนึ่งแล้วก็ไปอยู่วัดแล้วถ้าเราปฏิบัติได้ผลดีเราอาจจะเพิ่มวันเป็นสองวันสามวันไปแล้วต่อไปก็อาจจะทิ้งโลกได้ก็ต้องขยับไปที่เราเล็กเทาน้อยก่อนไมจะทําแบบพูดพลาดถ้าทําได้ก็ดี ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องทำแบบนี้ทำไปทีละเล็กทีละน้อยก่อนค้ะขอบพระคุณมากเจ้าค่ะมีใครอยากจะถามเองไหมไม่มีจะให้ทางบ้านที่ติดตามถ่ายทอดสดได้ถามกันครับต่อไปเป็นคำถามจากทาง Facebook Live นะครับคำถามจากผู้ปฏิบัติจากธรรมะในสวนนะครับศีลที่บริสุทธ หมายรวมถึงความคิดด้วยหรือไม่เจ้าคะาไม่นะ่ยความศีลนี้เกี่ยวกับการกระทําทางกายและทางวาจาเรื่องของความคิดนี้ต้องอยู่ที่สติสติเป็นผู้ควบคุมอีกที่หนึง่งคําถามจากคุณปทุมมานะครับการทําสมาธิทําวันละกี่ครั้งโดยปกติจะทําสติรู้สึกตัวทั้งกลางวันและกลางคืน ทำมากเท่าไหร่เร่งดีผลจะได้มากได้น้อยอยู่ที่การกระทําของเราเหมือนกับทํางานทํางานวันละชั่วโมงก็ได้ได้ผลชั่วโมงเดียวถ้าทําวันละแปดชั่วโมงก็จะได้ผลแปดชั่วโมงงั้นอยู่ที่การกระทําของเราถ้าทํามากนั่งสมาธิมากจิตก็จะสงบมากถ้านั่งสมาธิน้อยจิตก็จะสงบน้อย คำถามจะคุณก่อนแก้วนะครับคนที่มีศีลและทำบุญทําทานมากพอเมื่อตายไปแล้วจิตได้รับผลบุญไปเป็นเทพเทวดาแล้วเทพหรือเทวดานั้นจะทราบถึงเหตุที่เขาได้มาเป็นเทวดาหรือไม่อย่างไรคะหรือเขาต้องปฏิบัติธรรมต่อเนื่องไปอีกแล้วเขาถึงจะทราบะจะทราบก็ได้ต่อเมื่อได้มาศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ที่จะอธิบายถึงเหตุถึงผลต่างๆอย่างที่เรามาฟังเทศฟังธรรมกันตอนนี้เราก็จะทราบว่าอะไรถึงทำให้เราเป็นอย่างที่เราเป็นอยู่ก็บุญบาป ท, ที่เราทำนี่แหละเป็นเหตุที่ทำให้เราเป็นอะไรกันอยู่อย่างเป็นอยู่ขณะนี้คำถามจากคุณ น, น้องตัวหอมนะครับคือ เขามีแมวที่รักมากนะครับแล้วแมวเขาก็าป่วยแล้วเขาก็พาไปโรงพยาบาลแต่ยังไม่ถึงโรงพยาบาลก็สิ้นใจก่อนนะครับ mm. หนูกับแม่ทําใจลําบากมากค่ะ mm. แล้วมันฝังไว้ข้างในบ้านไปทําบุญถวายสังฆทานให้อยากเรียนปรึกษาว่าแมวหนูจะได้ไปเกิดเป็นคนใหม่คะ mm. แล้วบุญกุศลที่เราทําไปแมวหนูจะได้รับไหมคะ mm. ที่บ้านไม่มีมันเหงามากค่ะ แล้วแต่บุญบาปที่เขาทาไว้ถ้าบาปที่เขาทายังไม่หมดเขาอาจจะต้องกลับไปเป็นเดรัจฉานต่อจนกว่าบาปกับบุญที่เขาได้ทําไว้นั้นมีกําลังเท่ากันคือบุญก็ไม่สามารถดึงไปสวรรค์บาปก็ไม่สามารถดึงไปอาบายเขาก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปคําถามจากคุณทวีศัก์นะครับการที่เรามีครอบครัวมีลูกหนึ่งคน การที่เราจะก้าวออกมาบวชพระเพื่อจะขจัดกิเลสออกจากจิตการกระทำเช่นนี้ถูกหรือผิดครับก็พระพุทธเจ้าก็มีโลกเหมือนกันเนียจะผิดตรงไหนถ้าผิดก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยคำถามจากคุณฉัตรพิมล น, นะครับลูกปฏิบัติมาหลายสายยังหาจริตตนเองไม่เจอต้องทำยังไงเจ้าคะ มันไม่ได้อยู่ที่เจริญหลอกมันอยู่ที่สติถ้ามีสติแล้วมันไปได้ถ้าไม่มีสติเปลี่ยนจะเปลี่ยนอะไรไปกี่ชนิดมันก็ไม่ได้ผลอยู่ดีงนั้นต้องพยายามมาฝึกสติวิธีสร้างสติก็มีหลายวิธีเช่นบริกรรมพุทธโธไปเรื่อยๆอย่าไปคิดเรื่องราวต่างๆหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเป้าหมายก็คือให้เราหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆ ให้จิตยอยู่ในปัจจุบันให้สักแต่ว่ารู้จะใช้วิธีไหนก็ได้คำถามจะคุณ b บนะครับอยากให้ท่านพระอาจารย์ช่วยอธิบายขอบเขตของศีลและระดับของศีลแต่ละระดับของผู้ประพฤติก็วันนี้ก็เทศแล้ ว, ว่มีศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยิบเจ็ดศีลสามร้อยก็ผู้ที่ต้องการจะ ปฏิบัติก็ต้องไปศึกษาเอาเองไปเปิดหนังสือธรรมะอ่านดูคำถามจากคุณดอฟฟินนะครับตอนนี้เครียดมากเพราะข้างบ้านเสียงดังมากไม่เกรงใจแต่ก็พยายามพุดโทแต่จะหลุดซะให้ได้คะ่ะเพราะทนไม่ไหวความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเรานั่นเอง เราต้องมาแก้ที่ความอยากอย่าไปแก้ที่เสียงเสียงเขาก็เป็นเหมือนกับฝนตกแดดออกฟ้าร้องทําไมฟ้าร้องฟ้าผ่าเปี่ยงๆเราทํำไมอยู่กับมันได้ทําไมกับเสียงคนข้างบ้านเราอยู่กับมันไม่ได้ก็เพราะว่าเราอยากให้มันหายไปนั่นเองเราต้องมาแก้ที่ความอยากของเราเมื่อเรารู้ว่าเราไม่สามารถที่จะไปทําให้เสียงนั้นหายไปได้เราก็มา หยุดความอยากของเราเสียว่าก็ปล่อยให้มันมีไปมันจะดังก็ปล่อยมันดังไปเราอยากไปอยากให้มันไม่ดังเราก็จะไม่ถูกคําถามจ้าคุณศิริวัล น, นะครับแม่ทํางานเป็นพนักงานมาสิบปีบริษัทได้มีนโยบาย early ลี่ลีชแต่เคยได้ยินมาว่าเงินที่ได้จากการเออร์เป็นเงินไม่ถูกต้องทางธรรมเพราะได้มาโดยไม่ได้ทํางานให้บริษัท ต่อเงินนั้นนําไปทําอะไรก็จะเดือดร้อนจริงเท็ประการใดหรือคะคงไม่คงไม่จริงเพราะเงินเป็นเงินของบริษัทเขาให้รางวัลแก่ผู้ที่จะออกจากงานนั้นเป็นเป็นเหมือนกับรางวัลไม่ได้เป็นการขโมยเงินของบริษัทบริษัทที่เป็นเจ้าของเงินเขายินดีให้ยา น, นไม่ได้ถือว่าเป็นการลักทรัพย์แต่อย่างใด คำถามจากคุณภาวนานะครับเราเคยเมตตาตนเองก่อนที่จะเมตตาผู้อื่นนั้นแต่การที่เราต้องเสียสละทรัพย์ไปนั้นหรือเราเข้าไปช่วยเหลือผู้อื่นเราก็ต้องสละแรงกายจะถือว่าเราไม่เมตตาต่อตอนเองหรือไม่คะไม่หรอกความจรงิงความเมตตาต่อผู้อื่นนั่นแหละเป็นการเมตตากับตัวเราเพราะเมื่อเราช่วยเหลือคนอื่นให้คนอื่นก็มีความสุข เราก็จะได้รับความสุขกลับมาเป็นผลตอบแทนดังนั้นวิธีที่จะเมตตาตัวเราก็คือต้องเมตตากับคนอื่นถ้าเมตตาตัวเรากินของกินคนเดียวเที่ยวคนเดียวอันนี้บันเรียกว่าเห็นแก่ตัวแล้วมันจะไม่มีความสุขมันจะมีความทุกข์เพราะเวลามันไม่มีกินมันจะเดือดร้อนแต่ถ้าเวลาช่วยเหลือคนอื่นนี่ เราไม่ได้กินเรากำไม่เดือดร้อนเราเราเสียสละเป็นเรายินดีให้เรายอมอดเพื่อให้คนอื่นอิ่มอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่อิ่มทางร่างกายแต่เราจะอิ่มทางจิตใจคำถามจะคุณฐานิทนะครับจิตจับที่ลมหายใจตลอดจะให้ลูกทำอย่างไรต่อครับ ก็ดูไปเรื่อยๆอย่าให้จิตไปคิดที่อื่นอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราต้องนั่งหลับตากายต้องนิ่งว่าจจต้องสงบแล้วจิตดูแต่ลมหายใจเพียง อ, อย่างเดียวจนกว่ามันจะรวมเป็นสมาธิไปคําถามจ้าคุณจิระยุทธ์นะครับจิรารุธนะครับการเริ่มต้นในการทําสมาธิควรเริ่มต้นอย่างไรดีคะขอคำแนะนําด้วยค่ะ ก็อย่างวันนี้เทศให้ฟังก็ต้องรักษาศีลแปดถ้ามีศีลแปดแล้วก็จะมีเวลามานั่งสมาธิถ้าไม่มีศีลแปดมันก็ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นได้เช่นไปเที่ยวได้ไปดูหนังฟังเพลงได้ไปกินเลี้ยงได้ไปทำอะไรต่างๆที่อยากจะทำได้เพราะศีลห้าไม่ได้บังคับไม่ได้ห้ามไว้แต่ถ้าเราต้องการนั่งสมาธิ ให้ได้ผลเราต้องมีเวลามากๆถึงจะได้ผลถ้านั่งแค่พอหอมปากหอมคอแบบนกกระจอบกินน้ำมันมันก็ไม่ได้ผลได้แต่กิริยาของการนั่งข้าพเจ้าวันนี้ได้นั่งแล้วสามสิบนาทีคึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนั่งแล้วก็ไม่เคยเจอความสงบเลยแม้แต่ครั้งเดียวนั่งมากี่ปีก็เหมือนเดิมนั่งแบบนกกระจอบกินน้ำ แ้านั่งแบบให้มันได้ผลเป็นก่อเป็นกรรมมันก็ต้องนั่งทั้งวันทั้งคืนสลับกันเดินกับนั่งเดินจงกรมนั่งสมาธิทากันเป็นวันวันเป็นเดือนเป็นปีนั่นถึงจะได้ผลมันไม่ใช่ได้ง่ายๆหรอกสมาธิขนาดหลวงตาท่านบอกท่านบวชเป็นพระนี่หกปีท่านไม่ได้ปฏิบัติเต็มที่ท่านยังศึกษายังเรียนหนังสืออยู่ถ้าว่าจิตเคยรวมเพียงสามครั้งเท่านั้นเอง ขนาดบวชเป็นพระมีศีลสองรอยี่บเจ็ดข้อมีเวลาแต่ท่านก็ไม่ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพราะท่านก็ต้องไปเรียนหนังสือเรียนหนังสือก็ต้องใช้ความคิดปรุงแต่งจิตก็เลยไม่สงบงั้นแต่เวลาพอท่านออกไปปฏิบัติแล้วเนะี่ยที่ท่านบอกว่ารวมได้อยู่เรื่อยๆเพราะมีแต่มีการควบคุมจิตตลอดเวลาควบคุมควบคุมความคิดปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลา สามารถนั่งสมาธิได้ทั้งคืนนั่งโตร้รุ่งได้นี่คือการปฏิบัติที่จะให้ได้ผลมันต้องเอาแบบกันแบบสุดๆเลยทุ่มเทกันหมดเลยมีหน้าตักเท่าไหร่ก็วางไปเลยยอมเจงเลยถ้าไม่ดูดพ้นก็ตายเลยอย่างพระพุทธเจ้านี่ถ้าถ้าไม่ดูดพ้นก็ตายเท่านั้นอย่างนี้มันถึงจะได้ผลกัน แต่มาทําไปพอหอมปากหอมคอเล่นที่วางเอาที่เราเสลิงสองเสลิงอย่างนี้ไม่มีวันรวยถ้าจะเล่นถ้าจะรวยก็มีหน้าตากเท่าไหร่ก็เทลงไปเลยถ้าไม่รวยก็เจ๊งไปเลยเจ้รู้แล้วรู้รอดกันคําถามข้อต่อไปจากคุณบุษนะครับอาการเมื่อถึงชาญสีเป็นอย่างไรครับก็นั่งไปเถิดถึงแล้วก็จะรู้เอง เหมือนบอกคนตาบอดว่าสีแดงเป็นยังไงสีเขียวเป็นยังไงบอกไปก็เท่านั้นแหละมันก็ไม่ได้ไประโยชน์อะไรสิบ ป, ปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นนะเั้นขอผลของการปฏิบัตินี้ไม่อยากจะพูดมากก็พูดอยู่แล้วก็พอายรู้คร่าวๆอยู่แล้วว่าให้มันสงบมันนิ่งมันมีความสุขมันเป็นหนึ่งมันไม่มีอะไรมันไม่เป็นสองกับอะไรมันสักแต่ว่ารู้อนนก็รู้แค่นี้แหละแล้ว ต้องไปสัมผัสเองถึงจะรู้ว่ามันเป็นอย่างไรดีอย่างไรสุขอย่างไรคำถามจากคุณบ่าววีนะครับทำไมเวลาสวดมนต์มีเสียงวิงวิงต้องอยู่ในใจตลอดเวลาที่สวดจนจบแต่ไม่ได้สวดออกเสียงนะครับพอเวลานั่งสมาธิก็หายแต่พอจะสวดอีกก็มีเสียงขึ้นอีกอมันจะเป็นอะไรเราไม่ต้องไปสนใจมะนะันเราอย่าไป ยุ่งเกี่ยวกับมันปล่อยวางมันมันจะเป็นเสียงอะไรก็ให้เราอยู่กับการสวดมนต์ของเราไปเพราะเราไม่ได้สวดมนเพื่อฟังเสียงเราสวดมนเพื่อทำใจให้สงบใจเราจะสงบก็ต่อเมื่อเราสวดไปอย่างเดียวไม่ไปคิดถึงเรื่องอื่นไม่ต้องไปกังวลถือว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ควบคุมบังคับมันไม่ได้ก็แล้วกันมันจะมาก็ให้มันมามันจะไปก็ให้มันไป คำ ถ, ถามจากคุณบีนะครับพูดถึงบุหรี่หนูสงสัยมานานแล้วค่ะเข้าใจว่าไม่ผิดศีลแต่ทางการแพทย์ถือเป็นสิ่งต้องห้ามเพราะมีแต่โทษต่อร่างกาย mm. เช่นเป็นสาเหตุให้เกิดมะเร็งปอดแถมยังมีโทษกับบุคคลอื่นที่ได้รับกลิ่นควันบุหรี่เข้าไปด้วยซึ่งอาจจะต่างกับสมัยก่อนที่เป็นยาสูบแต่ไม่ได้มีโทษ ต่อร่างกายหรือเปล่าคะแบบนี้บุหรี่จะเข้าขายปิดศีนข้อไหนเนื่องจากเป็นการทําร้ายตัวเองและผู้อื่นด้วยไหมคะก็อยู่ที่ว่าสูบมากสูบน้อยอถ้าสูบวันละสามสองสี่สองมันก็ตายได้แตถ้าสูบวันละสามสี่มวนมันก็ไม่มีผลอะไรร้ายแรงต่อร่างกายเพงั้นอะไรก็ตามแม้แต่น้ำเนี่ยต้องกินนี่มั่มากดูมันก็ตายเพราะน้ําได้ะ อะไรที่มันเกินประมาณที่ร่างกายจะรับได้มันก็ทําให้ร่างกายตายได้เหั้นผู้ที่จ ะ, ะสู่บุรีก็ให้รู้จักประมาณคือมันไม่ได้มีโทษทางด้านจิตใจที่ห้ามไม่ให้ดื่มสุราเพราะมันมีโทษทางด้านจิตใจเป็นหลักเราไม่ค่อยได้กังวลเรื่องโทษทางร่างกายดื่มสุราแล้วทําให้ขาดสติไม่สามารถควบคุมการกระทําการพูดได้ ทำให้ไปทำบาปทำกรรมได้ง่ายกว่าผู้ที่ไม่ได้ดื่มสุรายาเมาแต่ผู้ที่ดืม่มผู้ที่สูบบุหรี่นี่ก็ยังมีสติสัมปชัญญะเป็นปกติอยู่บุหรี่นี่ไม่ได้ไปทาให้เสียสติไปแต่อย่างใดแต่ถ้าไม่สูบได้ก็ดีแต่ถ้าสูบ ก, ก็สูบไปตามปริมาณที่ร่างกายรับได้มันก็ไม่มีโทษอะไรมาก ยังไง ร, ร่างกายก็ตายอยู่ดีถ้ากลัวตายก็อย่าไปทำอะไรเลยอย่าไปกินอะไรเลยเพ้กินแล้วเดี๋ยวมันก็มีโทษทั้งนั้นแหละทำไมที่ของที่อยากกินไม่ไปพูดถึงบ้างน้นําตาลนี่กินกันเยอะเกินจนเป็นเบาหวานเบาหวานนี่ทำใไหมไม้มาไอ้มันอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรถ้าเราชอบอะไรเราก็ไม่พูดถึงมันถ้าลเรื่องที่เราไม่ชอบเราก็พูดถึงมันได้ เรื่องที่เราไม่สูบคนอื่นสูบเราก็ไปไปว่าขอได้เรื่องไหนที่เราทําเราก็ไม่ไปพูดพูดแล้วเดี๋ยวก็ว่าตัวเราเองคําถามจากคุณจีลาลุตนะครับวิธีการสวดมนต์ที่ถูกต้องนะครับการสวดมนต์ไม่ต้องออกเสียงได้หรือไม่ได้ดีสิเอถ้าไม่ออกเสียงได้ก็เป็นเหมือนกับบริกรรมพุทโธไปนั่นเองเราจะไม่เหนื่อยเราก็ไม่ไปรบกวนชาวบ้าน คำถามจากทาง YouTube นะครับจากคุณว o ด d ีนะครับการบวชนี่ถือว่าเป็นการทดแทนบุญคุณพ่อแม่จริงหรือไม่ครับและพวกที่มีงานบวชแล้วไปลำหน้านาคเพราะคิดว่าเอาบุญเขาจะได้บุญจริงหรือครับคือการบวชนี่เป้าหมายก็คือให้ได้ไปศึกษาได้ปฏิบัติธรรมเพื่อได้หลุดพ้นจากความทุกข์อันนี้เป็นประโยชน์ที่เกิดจากการบวช นการทดแทนบุญคุณพ่อแม่นี้ก็เป็นเรื่องรองลงมาคือถ้าจะบวชแบบทดแทนพ่อแม่ได้ก็ต้องบวชแบบพระพุทธเจ้าพอบรรลุธรรมแล้วก็แสดงธรรมสอนพ่อแม่ได้ทำให้พ่อแม่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เรียกว่าเป็นการทดแทนบุญคุณที่แท้จริงเพราะว่าถ้าไม่ได้บวชตนเองไม่ได้หลุดพ้น ก็จะไม่มีความสามารถที่จะไปสอนพ่อแม่ให้หลุดพ้นได้แต่การบวชแล้วเสด็นี้มันไม่ได้ทดแทนบุญคุณอะไรมากมายนักหรอกนอกจากทําให้พ่อแม่ดีใจว่ า, าลูกเรายังฝ่ายบุญฝ่ายกุศลไม่ไปอบายไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอาบายมุกหรืออะไรต่างๆก็บวชมาแล้วพอเสด็จจะได้เป็นคนดีอของสังคมไม่ทําผิดกฎหมายไม่ทําผิดศีลผิดธรรม พ่อแม่ก็มีความสุขใจแล้วอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นการทดแทนบุญคุณก็ได้ในระดับหนึ่งส่วนเรื่องที่เขาจะไปล้ำหรือไปจัดงานแล้วก็ส่งเสียนบกวนชาวบ้านอันนี้ก็ไม่ควรจะทำแต่มันเป็นธรรมเนียมของชาวบ้านเวลาจัดงานก็อยากจะให้ทั้งหมู่บ้านมาร่วมก็เลยเปิดเสียงให้มันดันทั้งหมู่บ้านเลยจะได้รู้ว่าบ้านฉันมีงานนะใครอยากจะมาก็มา สมัยก่อนชาวบ้านก็เป็นอย่างนั้นเขาเป็นเหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องกันทุกคนอยู่ร่วมกันทำเวลามีงานอะไรจะมาช่วยกันบ้านไหนทำบุญทุกคนก็จะมาร่วมบุญกันจึงเป็นเรื่องปกติที่จะทำแบบนี้ไม่มีใครเขาว่าแต่สมัยนี้สังคมเราบ้านเมืองมันไม่เหมือนเมื่อก่อนคนมีมาจากที่อื่นที่ใกล้ที่ไกลแล้วไม่รู้จักกันต่างคนต่างอยู่นีพอเรามาจัดงาน เปิดเสียงดังคนที่ไม่รู้จักเราเขาก็จะญหญงุดหงิดลำคาญใจเพราะนั้นคนจัดงานก็ควรที่จะรู้จักกาลรรเทศะรู้จักประมาณรู้จักความเหมาะสมว่าถ้าไปทำอะไรให้รบกวนชาวบ้านก็อย่าไปทำคำถามหมดแล้วครับอาจารย์ดีพักเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็มีเข้ามา เมื่อวานการเข้าถึงไปแปดแสนสองแล้วครับอาจารย์แปดสนไม่รู้ข้าวแบบไหนเข้าแบบทับ พ, พีเขาบอกะทับ พ, พีในม้อแกงข้าปุ๊บออกข้าปุ๊บออกปั๊บสามวินาทีเลยเขาฝากถามว่าปีนี้พระจานร์ลง ถเลยลงไหมครับอาจารย์ก็กําลังคิดอยู่เพราะว่าทุกปีจะเดินลงจากบนเขาลงมามันมีบันไดสองร้อยขั้นเวลาเดินลงมันไม่รู้สึกอะไรหรอกแต่พอวันลุกขึ้นมันปวดนองมากบางทีแทบจะเดินไม่ไหวยิ่งระยะหลังนี้รู้สึกว่ามันปวดมากขึ้นตามลําดับปีนี้เลยกำลังคิดว่าอาจจะไปรออยู่ที่ตีนบันไดแล้วก็เดิน คิดว่ามันจะยังไม่เลิกตอนต้นก็คิดว่าอยากจะเลิกแต่เราสองจิตสองใจถ้าเราลงมาอยู่ที่ตีนบันไดเดี๋ยวพ้ารูกอื่นก็ลงมาหมดถ้าถ้าไม่ลงเลยก็อาจจะไม่มีเราก็จะได้ไม่มีเป็นตัวอย่างอะไรอยาคิดว่าจะลองลงที่จะรอ ท, ที่ที่เชิงบันไดที่ข้างล่างจะไม่ไม่เดินไอ้บันไดสองรยสองร้อยขั้นนั้นลงมา จะลอาอยู่ข้างล่างเราให้พระเขาลงมาแล้วก็ร่วมบิณฑบาตกันต่องานเทโวที่วันนี้ก็ต่างกับวัดที่อื่นตรงที่วันนะวัดอื่นเขาจะจัดวันแรมหนึ่งคำแต่วันนี้จะจัดวันขึ้นสิบห้าค่ำจะตรงกับวันพระส่วนวัดอื่นนี่เขาจะจัดวันหลังวันพระหนึ่งวันเพราะตามหลักของ การออกพรรษานี่ต้องเป็นวันแรมหนึ่งค่ำถึงจะเป็นวันออกพรรษาวันขึ้นสิบห้าค่ำนี้ยังเป็นวันสุดท้ายของพรรษาอยู่แต่เนื่องจากชาวบ้านที่มาทําบุญที่วัดนี้เขามีวัดที่เขาไปทําบุญอยู่สองวันคือทําบุญที่วัดบ้านเขาและมาทําบุญที่วัดญาณวัดญาณนี้เป็นวัดที่ไม่ได้เป็นขึ้นกับหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่ง ก็เลยมีชาวบ้านมาจากทุกทิศทุกทางมาทําบุญใส่บาตรนี่ชาวบ้านที่เขามีวัมีวัดบ้านของเขาเขาก็ต้องใส่บาตรเทวของวัดบ้านเขาซึ่งเขาจะจัดวันแรมหนึ่งค่ำถ้าเราจัดวันแรมหนึ่งค่ำเขาก็จะมาสองวัดไม่ได้เขาก็เลยแนะนําว่าให้เราจัดวันก่อนวันหนึ่งคือจัดวันสิบห้าค่ำ เพื่อเขาจะได้มาใส่บาทเทวที่วัดยานได้แล้ววันแรมหนึ่งค่ำเขาก็จะใส่ที่วัดที่ใกล้บ้านเขาได้ mm hmm. ก็เลยอยากจะแจ้งให้ทราบความเป็นมาว่าไม่ตรงกับชาวบ้านเขาในในวันตักบาทเทวต mm hmm. ามธรรมเนียมมันต้องตักวันแรมหนึ่งค่ำ mm hmm. แต่สมา ย, ยู่ที่บ้านตานี้ท่านจะไม่มีเทวท่านก็จะตักบาทวัน วันขึ้นสิบห้าค่ำวันออกพรรษาวันวันสุดท้ายของพรรษาก็จะสหมายก่อนที่เราอยู่จะเดินรอบศาลากันสมัยหลังนี้ไม่ทราบว่าทาได้หรือเปล่าเพราะคนมากไม่ไม่ทำแล้วจำได้ว่าตอนที่อยู่บ้านตาตอนนั้นจะมีเดินบิณฑบาตรอบศาลาอยู่สองวันวันเข้าพรรษาแล้วก็วันออกพรรษา ค ำ, คำถามจากคุณสันทัศน์นะครับอัถิของพระอาหารหันต์จะแปลสภาพเป็นพระธาตุตอนไหนครับตอนที่ลาสังขารเลยหรือเปล่าครับอ๋อมันเริ่มซักฟอกตั้งแต่วันที่ท่านเป็นพระอาหารหันต์แล้วมันก็จะแปลงเปลี่ยนไปเรื่อยๆทีนี้ถ้าท่านเป็นพระอาหารหันต์แล้วอยู่มีชีวิตอยู่ต่อไปได้นานเวลาซักฟอกก็จะมีมาก เวลาที่ท่านตายไปนี้กระดูกก็จะเป็นพระาธาตุทันทีส่วนผู้ที่ตายผู้ที่บรรลุแล้วตายไปในระยะเวลาอันสั้นนี้ก็อาจจะไม่มีเวลาฟอกกระดูกให้เป็นพระาธาตุได้ก็อาจจะไม่มีพระาธาตุก็ได้ในพระอาหารหันต์บางรูปเพราะท่านบรรลุแล้วก็ตายไปไม่มีเวลาที่จะอยู่นานพอที่จะให้จิตที่บริสุทธิ์นี้ ซักพ่อกระดูกให้เป็นพระธาตุได้ฉะั้นเราจะดูที่ธาตุอย่างเดียวก็ไม่ได้แต่ถธาตุกระดูกท่านเป็นพระธาตุนี้เราก็ม<ๆ>ั่นใจได้ว่าท่านเป็นแน่แทแต่ถ้าท่านกระดูกท่านไม่ได้เป็นพระธาตุนี้ <t> ก็อาจจะเป็นเพราะว่าท่านเป็นแต่ท่านเป็นในระยะเวลาใกล้ตายก็ได้หรือท่านไม่เป็นก็ได้แต่ท่านจะเป็นไม่เป็น<ๆ>มันก <t> <ๆ>็ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องของเราเหรอก เรื่องของเราคือว่าเราเป็นหรือไม่เป็นมากกว่าสำคัญกว่าท่านเป็นแต่เราไม่เป็นหรือว่าเราเป็นแล้วท่านไม่เป็นยังไงดีกว่าหมดแล้วเหรอยังไม่มีเครอาไม่เป็นไรนี่กาอยากจะถามอะไรั้มมีเหรอ่าเข้ามาส่งไม่ไปทางนี้หน่อยไนหะ เรถาพระอาจารย์นะคะอาชีพค้าประเวณีหรือว่าโสเพณีเนี่ยมันผิดศีลหรือว่าผิดมรรคไหมคะก็มันก็ผิดข้อสามการเสพการนี้ท่านอยากให้เสพแบบถูกต้องประเพณีก็คือมีสามีภรรยาเป็นสามีภรรยากันเพราะการเสพนี้มันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ แต่ถ้าอยากจะให้เป็นมนุษย์ก็ต้องแบบผัวเดียวเมียเดียวอถ้ามีหลายผัวนี่ก็เรียกว่าเป็นพวกสุนัขไปอก็จิตก็ขาดศีลข้อนี้ศีลข้อห้าศีลห้าเลยใช่ไหมคะก็ผิดแล้วก็ผิดข้อสามนี่ข้ขาาเพราะว่าเป็นเหมือนสุนักสุนักเขาก็ไม่มีสามีเดียวภรรยาเดียว อย่างช่วงเดือนเก้าเดือนนี้โอ้ตายคืนหมาหอนทั้งคืนนมันไล่กัดกันมันตามกันในสมัยนี้คนเราก็ไม่มีเดือนเก้ามีเดือนเก้าทุกวันเลยบมแล้วเหรอถ้าไม่มีเราก็จะได้ยุติกันนะเพราะว่าคงจะถามกันมามากจนมันซ้ำซากและฟังจนเบื่อนะ การมีมีแถบพอนครับเดี๋ยวไม่ต้องออกใหม่กันเลยครับคูณ ด, ดังเลยครับคุณคุณสุพรรณีนะครับลูกฟังพระธรรมคําสอนของหลวงพ่อตลอดและแอบสมมุติตนเองเป็นศิษย์หลวงพ่อโดยไม่ได้มากาบด้วยตนเองลูกบาบไหมครัอ๋อเรื่องเป็นศิษย์เรื่องเป็นอาจารย์นี่ไม่ต้องแสดงตัวหรอกแสดงด้วยการประพฤติด้วยการกระทําอย่างเราแสดงทแล้วก็เป็นอาจารย์ส่วนใครฟังก็เป็นลูกศิษย์ไปเท่านั้นเองอะ ใครฟังเล่าไปปฏิบัติก็เป็นลูกศิษย์ใครฟังแล้วไม่ปฏิบัติก็ยังไม่ถือว่าเป็นลูกศิษย์เต็มที่ยังไม่ครบร้อยถ้าเป็นลูกศิษย์ให้ครบร้อยก็ต้องนำมัไปปฏิบัติถ้าบรรลุผลได้ยิ่งถือว่าเป็นลูกศิษย์เต็มร้อยออก็มีสามขั้นเนีขั้นแรกก็ฟังขั้นที่สองก็ปฏิบัติเนี่ยขั้นที่สามก็บรรลุ ถ้าเพียงแต่ฟังก็ไปร้อยละสามสิบก็แล้วกันถ้าปฏิบัติก็เป็นร้อยละหกสิบถ้าบรรลุ ก, ก็เป็นเต็มร้อยเป็นลูกศิษย์เต็มร้อย น, นี่คือความจริงของการเป็นอาจารย์กับลูกศิษย์ไม่ได้อยู่ที่ว่าจะต้องมากราบมาไหว้มาขอเป็นลูกศิษย์ลูกหาอะไรกันเราพูดเราถือว่าเราช่วยเหลือกันสนับสนุนกัน มีธรรมะก็มาแบ่งปันกันคนแสดงก็เป็นอาจารย์คนฟังก็เป็นลูกศิษย์เนี่ยอย่างสาวกนี่คำว่าสาวกก็แปลว่าผู้ฟังพอฟังแล้วไปปฏิบัติก็บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมานพระอาหารหันตสาวกนี่ถ้าไม่ได้เรียกว่าเป็นอาหารหันตสัมมาสามพุทธเจ้าเพราะท่านไม่ได้บรรลุ ด, ด้วยตนเองท่านไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์ด้วยตนเองท่านเป็นพระอาหารหันต์ด้วยการฟัง เรียกว่าพระอาหารหันตสาวกส่วนพระพุทธเจ้านี่ท่านเป็นพระเป็นพระอาหารหันด้วยตนเองก็เลยเรียกว่าพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือความแตกต่างกันมีพระอาหารหันสองแบบเป็นพระอาหารหันด้วยตนเองและเป็นพระอาหารหันจากการได้ฟังจากพระพุทธเจ้าอีกต่อห น, นึ่งก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา